บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็อยู่ที่การละและการภาวนาไม่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตาม โดยเฉพาะในชั้นของสมาธิหรือสมถกรรมฐานนั้นสิ่งที่บุคคลจะต้องละในตอนต้นก็คือเรื่องปริพภ o กังวลต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกรรมฐานและตัวอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคแก่ความสงบอันปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆ บุคคลต้องอาศัยสัมปัญชานะคือความรู้พร้อมซึ่งอารมณ์เหล่อนั้นว่าเป็นค่าศึกแก่ความสงบแล้วบรรเทาขจัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์เหล่านั้นได้แก่พวกนิวรธรรมตั้งฆาตระการนั่นเองในส่วนที่ เป็นภาวนาก็คือส่วนซึ่งจงกันข้ามทมเหล่าใดเป็นอุปการะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจก็พอกปูนบำเพ็ญสร้างธรรมะเหล่านั้นขึ้นภายในจิตแต่ในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่นั้นในชั้นของอนาปานสติกรรมทานลมหายใจเข้า ลมหายใจออกกับนิมิตคือจุดที่ตั้งสติระลึกเวลาลมกระทบเป็นหลักที่สำคัญซึ่งบุคคลผู้ปฏิบัติจะต้องเพียรพยายามให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกและนิมิตยอยู่ในอารมณ์อันเดียวกันจิตไม่พลากจากอารมณ์เหล่านั้นเมื่อบำเพ็ญเพียรปฏิบัติไปอย่างนี้ โดยลำดับแล้วผลคือความสงบจะบังเกิดขึ้นดังที่ได้เคยกล่าวมาในการปฏิบัติทุกอย่างนั้นจะพบว่าคนจะสามารถใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วทันทีทันใดตามที่ตนต้องการจำเป็นจะต้องอาศัยความจำนิํำนานในเรื่องเหล่านั้น ความจำนีชจำนานนี้ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าวสีซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลจะต้องกระทำบำเพ็ญให้บังเกิดขึ้นวสีจะเกิดขึ้นชำนิชำนานอย่างแท้จริงก็ในชั้นของฌานท่านจำแนกเอาไว้เป็นห้าลักษณะด้วยกันประการแรกคือต้องมีความชำนิชำนานในการนึก คือสมาธิจิตเกิดขึ้นด้วยอารมณ์เหล่าใดเมื่อบุคคลต้องการให้ความสงบปังเกิดขึ้นก็สามารถเดียวนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นแล้วทำจิตของตนให้สงบได้ในข้อต่อไปเรียกว่าจำนานในการเข้าคือหมายความว่าตัวอารมณ์ที่นึกได้นั่นเองเมื่อนึกได้แล้วสามารถทำจิตให้สงบ อยู่ในอารมณ์เหล่านั้นได้ในทันทีทันใดซึ่งแน่นอนเหลือกเกินว่าผลเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการปฏิบัติจนเกิดความชำนิชำนาญในเรื่องเหล่านั้นพระบูมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงถึงสภาพจิตของพระองค์ไว้ว่าเมื่อพระองค์มีความประสงค์จะ กล่าวเรื่องอะไรออกไปและก่อนที่จะกล่าวนั้นพระไทยของพระองค์อยู่ในสมาธิข้อใดเมื่อสัตว์เรื่องเหล่านั้นเสร็จแล้วพระไทยจะกลับมาอยู่ที่สมาธินั้นในทันทีทันใดซึ่งเป็นการเชี่เห็นถึงความชานิชานาญในการนึกและความชำนิชานาญในการเข้าสมาธิของพระองค์ในข้อที่สามนั้นเรียกว่า มีความชำนิชำนาญในการที่จะให้สมาธิดำรงอยู่ตามที่ตนต้องการตามที่ตนกำหนดหมายในการอาธิษฐานคือตั้งใจให้สมาธิดำรงอยู่ได้นานนั้นท่านผู้มีความชำนิชำนาญจริงๆอาจจะให้สมาธิดำรงอยู่ได้เป็นเวลานา น, านๆคือนับด้วยจำนวนวันก็ได้จนถึงชั้นของสมาบัติ และในขณะเดียวกันเมื่อจำนาญในการให้สมาธิตั้งอยู่ก็ต้องมีความจำนิจำนานในการออกจากสมาธิว่าจะทำอย่างไรจึงจะออกจากสมาธิซึ่งไม่เป็นเรื่องที่รวดเร็วเกินไปและในขณะเดียวกันก็ไม่เกิดความสับสนซึ่งแน่นอนเลือเกินว่าความจำนิจำนาญเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยการเข้าสมาธิและการออกจากสมาธิมาจนชำนิชำนาญแล้วในข้อสุดท้ายเรียกว่ามีความชำนิชำนาญในการพินิจพิจารณาหมายถึงการสวจดูสภาพจิตในขณะนั้นๆสวดอวององของฌานที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆว่ามีอะไรพร่องไป มีอะไรเกินไปและสามารถปรับแก้ไขให้เหมาะให้ควรได้ว่าสีทั้งห้าประการนี้อันที่จริงแล้วจะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์และมีความจำนิจำนานจริงก็ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติได้บรรลุรูปฌานทั้งสี่ประการดังที่เคยกล่าวมาแล้วในส่วนที่ว่าด้วยสมาสมาธิ แต่วันนขณะเดียวกันนั้นธรรมะทุกชั้นที่ทรงแสดงไว้ในพระพุทธศาสนาบุคคลสามารถสัมผัสผลในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาได้ดังนั้นเรื่องของว ส, สีทั้งห้าประการก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลสามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ อันเป็นค่าสึกกิดจิตใจทําความสงบว้าวุ่นเดือดร้อนกระสับกระสายให้บังเกิดขึ้นถ้าหากว่าบุคคลได้เคยสัมผัสความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากการมีธรรมะภายในจิตใจเวลาเกิดอารมณ์ร้อนมาจากภายนอกถ้าหากว่ามีความชำนิชํานาญที่จะนึกถึงอารมณ์เย็นซึ่งสามารถสงบอารมณ์ร้อนเหล่านั้นได้ ก็นึกได้ในขณะนั้นนั้นจิตแทนที่จะร้อนไปตามอำนาจของอารมณ์ก็ไม่ร้อนเพราะดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจนั้นถ้าเป็นกุศลก็ต้องไม่เป็นอกุศลถ้าเป็นอกุศลก็ต้องไม่เป็นกุศลคือจะเกิดขึ้นพร้อมกันในขณะเดียวกันไม่ได้แต่เมื่ออารมณ์ร้อนเกิดขึ้นมาจากภายนอก บุคคลน้อมระลึกถึงอารมณ์ที่ทำให้ใจเย็นได้ในทันทีทันใดก็พักใจไว้กับอารมณ์เหล่านั้นเป็นการตัดกระแสะอารมณ์ภายนอกไม่ให้ลุกลามเผาลนจิตใจก็สามารถที่จะก่อให้เกิดความส ง, งบได้ข้อนี้พึงดูตัวอย่างเช่นเวลาอารมณ์โกรธบังเกิดขึ้นภายในใจบุคคลเคยสัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากความไม่โกรธตอบ ไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบไม่มีความอาฆาตพยาบาทมีความเมตตารู้จักการให้อภัยเป็นต้นพรเห็นว่าความโกรธบังเกิดขึ้นมีลักษณะร่าวรอนก็ทำจิตของตนให้ระลึกถึงธรรมะดังที่กล่าวแล้วข้อใดข้อหนึ่งแล้วให้จิตยับยั้งอยู่ในที่นั้นให้ได้ที่เรียกว่าเข้าไปสู่ความสงบหรือเข้าไปสู่ธรรมะเหล่านั้น และในขณะเดียวกันก็ให้จิตอยู่ด้วยธรรมะได้นานๆที่เรียกว่าเป็นอธิษฐานคือให้จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นธรรมะก็เป็นนั้นว่าได้ตัดเชื้อของความเร่าร้อนที่เกิดขึ้นมาจากภายนอกไปจายของบุคคลก็มีความสงบเย็นขึ้นมาและเมื่อจะดึงจิตออกมาจากอารมณ์ที่สงบเหล่านั้น ก็สามารถดึงออกมาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการดึงออกมาเพื่อเข้าไปหาความรัาร้อนดึงออกมาเพื่อปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อตนปฏิบัติธรรมข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะต้องอยู่ด้วยธรรมข้อนั้นเสมอไปการปฏิบัติธรรมต้องเคลื่อนไหวไปตามเหมาะแก่สถานการณ์แก่บุคคลแก่เหตุการณ์นั้นๆ จะในกรณีของการปฏิบัติพรหมีหารทั้งสี่ประการซึ่งเป็นธรรมะที่ขาดไม่ได้และมีความจำเป็นในการดำรงชีวิตแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลจะต้องมีพรหมิหารข้อใดข้อหนึ่งอยู่ตลอดไปพรหมิหานนั้นท่านกําหนดให้ใช้ในโอกาสในบุคคลในกาลนั้นๆเท่านั้นยางเมตตาพรหมีฐานก็ใช้สร้างความรู้สึก แก่คนและสัตว์ทั่วไปปรารถนาที่จะเห็นการอยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันในหมู่คนและสัตว์เหล่านั้นแต่เมื่อสัตว์ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งตนอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้ทางกายทางวาจาหรือแม้แต่สร้างความรู้สึกขึ้นภายในจิตใจเพื่อปิดกั้นกระแสของความรู้สึกเบียดเบียนออก ในกรณีนั้นบุคคลก็ต้องใช้กรุณาในกรณีที่บุคคลได้ประสบความสาเร็จความเจริญก้าวหน้าการเลื่อนชั้นตาแหน่งเป็นต้นบุคคลก็ต้องสร้างความรู้สึกมุทิตาให้บังเกิดขึ้นแต่ว่าในบางกรณีคนที่เป็นที่รักก็ดีคนซึ่งเป็นศัตรูก็ดีประสบความพิบัติความเดือดร้อน ความทุกข์ทรมานเพราะกรรมของตนบุคคลไม่อาจจะใช้ธรรมะทั้งสข้อข้างต้นได้ในกรณีเช่นนั้นเพื่อรักษาธรรมไว้ประการหนึ่งเพื่อรักษาคุณภาพจิตและความดีของบุคคลไว้ประการหนึ่งและป้องกันไม่ให้จิตตกไปสู่อำนาจของอากติทั้ง4ประการหนึ่งก็ทรงสอนให้บุคคลมีหลักอุเบกขา โดยพิจารณาให้เห็นการที่สัตว์เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นต้นอย่างที่สุดกันเพราะฉะนั้นการที่ทำจิตให้สงบอยู่กับอารมณ์ดังที่กล่าวไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่กับอารมณ์นั้นตลอดไปเพราะคนมีภารกิจการงานหน้าที่ต่างๆที่จะต้องจัดต้องทำและต้องมีความจำนิจำนานในการพินิษพิจารณาตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น บุคคลอาจส ง, งบความโกรธได้ไม่ด่าตอบไม่ประหารตอบไม่ประทุษร้ายตอบแต่บุคคลจะต้องตรวจสอบว่ายังมีตะกรอนนอนอยู่ภายในใจบ้างไหม ย, ยังมีความไม่พอใจความอาฆาตพยาบาทความคิดที่จะโต้อ ต, อตอบในวันอื่นๆบ้างไหมถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วยังเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ก็ต้องรู้รว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษเป็นอันตรายแก่จิตใจก็พยายามขาจัดออกไป แต่หากว่าตรวจสอบแล้วเห็นว่าจิต ท, ที่บอกว่าเมตตานั้นมีเมตตาจริงๆไม่ได้อิงอามิตรไม่ได้อิงบุคคลไม่ได้อิงวัตถุแต่ประการใดแต่เป็นเมตตาที่บริสุทธิ์ก็เพิ่มพูนเมตตาเหล่านั้นเอาไว้ให้มากยิ่งขึ้นภายในจิตใจเมื่อถึงคราวที่จะใช้ในโอกาสอื่นก็ให้สามารถที่จะใช้ได้นี่ก็ถือว่านํามาปรับใช้ในชั้นของการดํารงชีวิตได้ ตามสมควรแก่โอกาสแก่กาละนั่นๆในชั้นที่สองเป็นเรื่องของสมาธิซึ่งบุคคลกำลังประพฤติปฏิบัติอยู่สงบบ้างไม่สงบบ้างเรื่องของสมาธิจะต้องผ่านขั้นตอนมาอย่างที่เคยกล่าวแล้วว่าเป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะบ้างเป็นความสงบที่เรียกว่าอุปจาระคือเฉียดใกล้ความแนว่วแนว่เข้าไปบ้าง และเป็นอั ป, ปนาคือแน่วแน่เป็นความสงบดิ่งอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งบ้างแต่ว่ากว่าจะเกิดความแน่วแน่ทางจิตใจขึ้นมานั้น <c oughs> บุคคลจะต้องยอมรับถึงความจริงว่า <c oughs> สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยไอเหตุปัจจัยแห่งความไม่สงบนั้น <c oughs> <c oughs> บุคคลได้เคยเกี่ยวข้อง กับอารมณ์ต่างๆอยู่เป็นนั้นมากแต่การจะน้อมให้จิตเข้าสู่ความสงบนั้นในระยะเวลา24ชั่วโมงก็ได้ใช้ไปน้อยจะเลงผลเลิศในเวลารุดเร็วก็เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าจะเปรียบเหมือนจิตเป็นสระน้ำในขณะที่น้ำคูนไหลเข้าไปมากน้าใสไหลเข้าไปน้อยจะให้น้ำในสระนั้นสะอาดก็เป็นไปไม่ได้ วิธีจะทําให้เกิดความสะอาดก็ต้องเอาน้าที่ใสใสเข้าไปมากๆเพื่อลดความขุ่นข้นในสะนั้นลงไปและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าปิดกั้นกระแสของความน้าขุ่นข้นไม่ให้ไหลเข้าไปโอกาสที่จะเกิดความสะอาดมันก็มีในเวลารวดเร็วขึ้นจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะอย่างเดียวกัน ถ้าในาชีวิตประจำวันบุคคลสามารถสร้างปัจจัยที่ปิดกั้นอารมณ์เครื่องคุณมัวเศร้าหมองเอาไว้ได้ไม่เป็นการเพิ่มเชื้อของกิเลสเราใดเราหนึ่งขึ้นภายในจิตใจเวลาจะนั่งทำความสงบเวลาจะบำเพ็ญสมาธิโอกาสที่จะเกิดสมาธิก็มีได้เร็วเพราะเหตุปัจจัยแห่งความสงบมีมากดังนั้นในเรื่องของสมาธิจิตที่บุคคลกระทาไป พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเน้นไปในเรื่องความเพียรพยายามคืออย่าให้มากเกินไปและอย่าให้น้อยเกินไปในกรณีความเพียรมากเกินไปใจจะกระสับกระส่ายทรงอุปมาเหมือนกับการจับสัตว์คือถ้าหากว่าจับแกรแรงเกินไปบีบแรงเกินไปสัตว์ก็จะตายแต่ถ้าจับเบาๆเกินไปสัตว์ก็จะหลุดจากมือไปได้การจับอารมณ์ ที่เกิดขึ้นภายในจิตเพื่อจิตมีความสงบอยู่กับสมาธิก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเอารุนแรงเกินไปใจจะดิ้นจะกระสับกระส่ายไม่มีความสงบแต่ถ้าหากว่าไปทำแบบย่อหย่อนไม่เอาจริงเอาจังไม่ถึงกับสนใจในสมาธิอย่างพอเหมาะพอควรใจก็จะตกไปสู่อำนาจของความเบื่อหน่ายความเกลียดครัน ในการปฏิบัติจึงต้องทำในลักษณะที่เรียกว่าพอประมาณแต่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นข้อนี้พึงเห็นได้ว่าจะต้องอาศัยเหตุปัจจัยและการเวลาเข้าประกอบบางครั้งสมาธิเกิดแล้วก็หายไปบางทีเกิดก็หายไปนิมิตเกิดก็หายไปเป็นตน้นในลักษณะเหล่านี้แสดงถึงความไม่พร้อมคล้ายๆกับเด็ก ซึ่งแกอาจจะลุกขึ้นเดินได้แล้วก็ยืนได้แต่ว่าทรงตัวอยู่ได้ไม่นานก็ต้องล้มไปอีกสมาธิที่เริ่มก่อตัวขึ้นใหม่ๆก็มีลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าอาศัยการเวลาเพิ่มพูนความเข้มแข็งขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ได้นานๆไม่โคกล้มอย่างในสมัยที่เป็นเด็กซึ่งเรื่องนี้จะต้องอาศัยการสร้างเหตุปัจจัยขึ้น ทั้งภ า, ายในและภายนอกในชั้นของสมาธิที่จะนำอวสีทตั้งหประการมาปรับใช้จึงอยู่ที่ว่าให้บุคคลสามารถนึกถึงอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสงบได้เช่นว่าอารมณ์ใดที่บาเพ็ญเพียรไปแล้วเกิดความสงบอย่างอนาปานสติใช้อะไรเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบ ก็สามารถนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นได้ทุกครั้งที่เข้าสมาธิทุกครั้งที่จะนั่งสมาธิซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วในชั้นของการปฏิบัติจริงๆความสงบที่เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่จะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะในกรณีที่บุคคลตั้งสติระลึกอยู่ในจุดซึ่งลมกระทบเท่านั้นแต่ที่ท่านแสดงไว้โดยประยายเป็นนันมากนั้น ก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติได้ผ่านขั้นตอนมาแตกต่างกัน น, นิ่งจะให้เกิดความสงบโดยตั้งสติระลึกอยู่ในจุดเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตยังไม่คุ้นเคยกับการเกาะอยู่กับอารมณ์เดียวจึงต้องมีกรรมวิธีที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลาดับแต่ว่าขั้นตอนเหล่านั้นเป็นตัวปรับจิตให้เกิดความคุ้นเคยกับการระลึกอยู่ในจุดที่ลงกระทบ เพราะฉะนั้นความสงบที่แท้จริงจึ ง, จงต้องมาอยู่ที่ลมกระทบหรือการภาวนาเพราะว่าการภาวนาพุโทโธก็ดีจุดที่ลมกระทบก็ดีอารมณ์นั้นอยู่ที่อารมณ์เดียวเมื่อภาวนา บ, บ่อยๆเข้าหรือระลึกอยู่ บ, บ่อยๆเข้าความสงบก็บังเกิดขึ้นทีนี้ในการบำเพ็ญสมาธินั้นเมื่อนั่งสมาธิไปแล้วก็เลิกละไปประกอบภารกิ จ, จา ก, การงาน แต่ว่าเวลาต้องการความสงบก็อาจจะน้อมรำลึกถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความสงบได้และในขณะเดียวกันก็สามารถระลึกได้ถึงอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความฟุง้งซ่านด้วยการระลึกจึงต้องระลึกได้สองอย่างไม่จะระลึกได้เพียงอย่างเดียวเพราะถ้าว่าระลึกได้เพียงอย่างเดียวอกุศลแทรกเข้าไปใจก็แยกไม่ออกว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศล และเมื่อเราลึกได้แล้วก็มีความสามารถในการที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิตามที่ตนต้องการได้ซึ่งแน่นอนว่าในชั้นนี้ไม่ถึงกับเป็นชาญนแต่ว่าเป็นชั้นของสมาธิบุคคลเคยสงบอยู่ด้วยอารมณ์ใดสามารถะลิกอารมณ์นั้นได้แล้วสามารถทำจิตให้อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้ จนถึงกับมีความชํานาญในการที่จะให้จิตดํารงมั่นอยู่ในสมาธิหรือในอารมณ์ของกราารมฐานไม่ว่าจะเป็นการนับการภาวนาการกําหนดรลึกหรือการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกยาวสั้นกร็ตามให้จิตส ง, งบอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้ไม่สัดสายไปในอารมณ์หลออื่นซึ่งความชานิชํานาญในลักษณะนี้จะพบว่าแม้ในชีวิตประจําวันของบุคคล ก็จะต้องผ่านการกระทำที่ซ้ำ ซ, ำ ซ, า, ก ซ, า, กซากมาเป็นนั้นมากคล้ายๆกับการคิดสูตรคูนหรือการจะคูนเลขบวกบวกลบคูนหารอะไรต่างๆเหล่านี้คนที่ไม่มีความชำนิชำนาญจะคูนด้วยอะไรก็ต้องท่องแม่นั้นมาโดยลำดับใชยก่อนแต่ถ้าคนที่มีความชนานาญสามารถที่จะคูนได้ในทันทีทันใดบอกตัวเลขได้ในขณะที่ต่อเนื่องกัน ไม่มีการติดขัดแต่กว่าจะเป็นเช่นนี้ได้ก็ต้องมีความชำนิชำนาญในเรื่องเหล่านั้นฝึกปรือมาซ้ําแล้วซ้ําอีกไม่ใช่ว่าทําเนึ่งครั้งสองครั้งจะทําได้เรื่องสมาธิก็มีลักษณะเช่นเดียวกันการที่จะให้จิตดํารงมั่นอยู่ในสมาธิได้นั้นก็ต้องอาศัยการฝึกปรือมาพอสมควรเมื่อนึกได้เข้าสู่ความสงบได้ และก็ตั้งสติระลึกอยู่ได้เวลาจะออกจากสมาธิก็สามารถที่จะออกได้โดยไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นตกใจการออกสมาธิบางอย่างถ้าเข้าถึงสมาธิจริงๆแล้วเกิดออกสมาธิอย่างขาดความชำนิชานาญ <c oughs> ก็อาจจะเกิดตกใจได้คล้ายๆกับคนที่นอนหลับแล้วก็ฝันกำลังฝันเพลินอยู่นั้นก็เกิดมีอะไรมากระแทกให้ตื่นขึ้น จะมีอาการผิดปกติขึ้นทั้งที่ร่างกายและกัจิตใจเรื่องสมาธิก็มีลักษณะอย่างนั้นในการออกจากสมาธิจึงเป็นการถอยเข้าสู่ถอยออกมาโดยลำดับคล้ายๆกับอาการเดินของกายคือทั้งเข้าบ้านและออกจากบ้านก็เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าไปโดยลำดับและออกไปโดยลำดับสิ่งที่บุคคลจะต้องสัมผัสในขณะนั้นเป็นการสัมผัสทั้งในส่วนเข้าไปและกัส่วนออกมา ตามลำดับของอารมณ์นั้นๆและในขณะเดียวกันเมื่อสามารถออกมาได้โดยความชํานิชํานาญแล้วก็ต้องชํานาญในการพินิษพิจารณาเพราะตัวสําคัญของเรื่องที่จะให้เกิดความชํชนานิชํานาญจึงอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการพินิษพิจารณาได้ที่ท่านเรียกว่าปัจจเวกคณะวสีคือมีความชํชนานิชํานาญในการพิจารณา ด้วยองค์นั้นๆในอารมณ์นั้นๆเช่นว่าการระลึกถึงอารมณ์ของกรรมฐานก็พิจารณาได้ในเวลารวดเร็วว่า น, นี่เป็นที่ตั้งแห่งความสงบจริงหรือไม่เพราะบางทีการใช้แม้แต่อารมณ์ของกรรมฐานก็ตามถ้าหากว่าไม่เป็นสัพปายะคือไม่ถูกกับอัธยาศัยของบุคคลคืนไประลึกข้าวขึนไปเจริญกรรมฐานเหล่านั้นข้าว แทนที่จะเกิดความสงบก็อาจจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปได้เป็นต้นกรรมฐานที่ทรงจําแนกแสดงไว้เป็นนั้นมากก็เพื่อให้เหมาะสมคล้อยตามอัธยาศัยของบุคคลเท่านั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกรรมฐานข้อนั้นได้ทุกคนและจะเกิดความสงบทุกคนอย่างตัวอย่างพึงเห็นอาหารเลปฏิกูลุนสัญญาการกําหนดได้เห็นความปฏิกูลของอาหารในลักษณะต่างๆ ในชั้นของการศึกษาก็ศึกษาได้แต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติสมบุคคลแล้วก็จะไปกันใหญ่เลยคือแทนที่จะเกิดความสงบจะเกิดอาการขยะแขยงในอาหารจนถึงกับรับประทานอาหารไม่ได้เป็นการบั่นทอนสุขภาพพลานามัยของตนไปเป็ตนต้นเพราะงันเรื่องของการพิจารณาในชั้นของการระลึกอารมณ์ตลอดถึงการเข้าสู่ความสงบการเข้า สู่ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งไม่ว่าในชั้นใดก็ตามที่กล่าวมานี้ก็มีสมชั้นคือชั้นของชีวิตประจําวันที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอยู่นี่เองอีกชั้นที่สองก็เป็นชั้นของสมาธิชั้นที่สามถึงเป็นตัวที่จะต้องเป็นวษีจริงๆนั้นคือในชั้นของฌานแต่ว่าจะเป็นชั้นใดก็ตามตัวการพินิจพิจารณาในกรณีนั้นๆ เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งงานนปัจจเวกขณะจึงทรงสอนไว้ตั้งแต่พื้นฐานธรรมดาทั่วไปให้บุคคลอาศัยปัจจเวกขณะคือการพินิษพิจารณานี้ใช้เหตุผลในการดํารงตนในการดํารงชีวิตในการตัดสินอารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆเรื่องของวสีก็มีลักษณะอย่างนั้น ตัวปัจเจเวคคณะจะเห็นได้ว่าเป็นอาการของสติกับอาการของปัญญาโดยเฉพาะตัวสติกับปัญญานั้นจึงเป็นหลักในการปฏิบัติทั่ ว, วไปส่วนชื่อจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรขึ้นอยู่กับงานที่ธรรมะเหล่านั้นจะออกไปปฏิบัติอย่างในกรณีของการพินิจพิจารณาท่านก็เรียกว่าปัจเจเวคคณะ ในกรณีของการทำไว้ในใจถึงเรื่องเหล่านั้นโดยเหตุดยผลโดยบานแยบขายท่านก็เรียกว่าโยนิโสมนัสิการเป็นต้นแต่ที่จริงแล้วก็เป็นงานของสติกับงานของสัมปชัญญะผลเหล่านี้เป็นจุดหมายปลายทางในชั้นของฌานของสัมมาส ม, มาธิก็จริงแต่วันในขณะเดียวกันความจานิํานาญในด้านต่าง ตั้งแต่ชีวิตประจำวันเป็นต้นไปนั้นบุคคลสามารถสร้างให้บังเกิดขึ้นได้โดยในยะหนึ่งและเมื่อมีความชำนิชนานาญที่ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับในความในชีวิตประจำวันสามารถหาความชนานาญในการรักษาอารมณ์ที่เป็นกุศลเอาไว้ทั้งในการนึกถึงอารมณ์ทั้งในการสงบอยู่กับอารมณ์ทั้งในการให้จิตดารงมั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านั้น และการออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นตลอดถึงการพินิษพิจารณาในชั้นของสมาธิก็ใช้โดยทํานองเดียวกันแต่ละอย่างนั้นถึงแม้จะไม่เป็นตัววสีที่สมบูรณ์แต่เมื่อว่าเมื่อบุคคลได้อาศัยการใช้ตามแนวของวสีทั้งห้าประการนั้นแต่ละอย่างเป็นเหตุปัจจัยที่จะเพิ่มพูนวสีในชั้นที่เต็มรูปให้บังเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลนั้ น, น, น ราศีทั้ง5ประการนี้ยังติดตามบุคคลไปแม้ในชั้นที่สูงขึ้นไปกว่าสมถกรรมฐ า, านเพราะเป็นงานที่บุคคลจะต้องใช้ในกรณีนั้นๆให้เหมาะให้ควรแก่เหตุแก่ผลที่บุคคลต้องการซึ่งตามโบหานของธรรมะท่านเรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติคือเป็นการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมะ แก่กาละแก่โอกาสแก่อารมณ์นั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป